ข้าบดีอริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นพระจักชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการทั้งหลายว่ามีอุปมาเหมือนโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในการมเหล่านั้นมีอยู่มากครั้นเห็นโทษแห่งกรมนี้ตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกัน ที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันและเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อิงอาศัยอารมณ์เดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่มีเหลือแห่งความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวง43คหบขบดีเปรียบเหมือนนกแรง้งนกตัดกรุมหรือนกเหยี่ยวขาบชิ้นเนื้อบินไป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 เขาคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลดอกดาดตดินแต่ไม่มีผลหล่นลงมาสักผลเดียวแต่เรารู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ทางที่ดีเราควรปีนขึ้นต้นไม้นี้แล้วกินพออิ่มและใส่พกให้เต็มเขาจึงปีนขึ้นต้นไม้นั้นแล้วกินพออิ่มใส่พกให้เต็มต่อมาชายคนที่สอง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 เขาอาจจะตายหรือได้รับทุกข์ปางตายเพราะต้นไม้นั้นเป็นเหตุใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีอริยาสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกาวทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยผลไม้